วันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงวันคล้วันวันเพียรเดือนสามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงโอวาทปาฏิโมกแทนการสวดปาฏิโมกเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนามาฆะมาฆะแปลว่าเดือนสาม มาคบูชาแปลว่าบูชาในวันกลางเดือนสามวันเพ็ญเดือนสมหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาแต่ที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้เราเลื่อนมาทํากลางเดือนสี่เพราะแปดสองแปดปีทีแปดสองหนอธิกรมาตเพิ่มเพิ่มเดือนหนึ่งเดือนเป็นแปดแปดที่สองเราจึงเลื่อนมาเป็น กลางเดือนสี่นี่เราเลื่อนมาบูชากลางเดือนสามเป็นกลางการบูชากลางเดือนสีแต่ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันเพ็ญเดือนสามในสมัยกระโนนหมายพระองค์ยังทรงระชนอยู่วันนั้นพระองค์ทรงแสดงโอาวาทปาติโมกกับพระสงฆ์เป็นปาริสุทธิอุโบสถ แสดงอุโบสถแสดงปฏิโมกท่ามกลางพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกมีแต่พระอาหารหันต์ทั้งนั้น 1,250 ง12องรูปองค์อวาปฏิโมก4สที่ท่านพูดถึงอวาตปฏิโมก4สวันนั้นเป็นวันสำคัญที่ท่านเรียกว่าจาตุรงคสัสสนิบาตเป็นการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ เป็นคารประชุมพร้อมด้วยองศีองศีนี้คือวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโ อ, อวาทปาฏิโมกข์และทรงประกาศหัวใจของพระศาสนาที่เรียกว่าสัพพะปัสสะการณองเว้นบาปทั้งปวงกุศลสู้ระสัมปดายังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะประโยชน์ดะปะนัง ทำจิตให้ผ่องแผ้วทำจิตให้ผ่องแผ้วเอตังพุท ธ, ธานศาสนางอวาทั้งสมนี้เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ทรงสแสดงหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาถามว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานสรุปลงมาเหลือสามมีอะไรบ้างหนึ่งให้เป็นบาปทั้งปวงด้วยกิริยาทางกายทางวาจาทางใจ เว้นบาปทั้งปวงสาบบผาปัสสาวกันนั่งบาปเป็นอาการณียกิจเป็ น, เ ป, นเป็นกิจที่ไม่ควรทำกุศลสู้ประสมปรดายังกุศลให้ถึงพร้อมคือถ้าเราเว้นบาปแล้วเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำบุญบุญก็ไม่เกิดนะเพราะเราไม่ดับไม่ได้ทำเหตุพอเราเว้นบาปแล้วเราก็ทำบุญด้วย ทำบุญก็คือยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกุศลก็ว่ากุศลกุศลก็คือความประพฤติที่ฉลาดโดยธรรมนี่เรียกว่ากุศลกุศลแปลว่าความฉลาดความประพฤติในทางกุศลในการกุศลที่เป็นธรรมยังกุศลให้ถึงพร้อมความฉลาดด้วยกาย เว้นกายกรรมสาเว้นไวจีกรรมสเว้นมนโนกรรมสามเว้นกายทุจริตสเว้นไวจีทุจริตสเว้นมนโนทุจริตสามเนี่ยทำกุศลให้ถึงพร้อม เป็นกิริยากายกิริยาวาจาที่เป็นอกุศลอย่างกุศลให้ถึงพร้อมที่เรียกว่าทำความดีอย่างกุศลให้ถึงพร้อมก็คือกิริยาที่ประกอบให้เกิดบุญทางกายกายบุญญะกิริยาที่เกิดขึ้นทางกายาบุญญกิริยาที่เกิดขึ้นทางวาจาบุญญกิริยาที่เกิดขึ้นทางใจ คือไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งไม่พยาบาทปองร้ายเขาหนึ่ ง, ไ ม, ง, ไ, ง, งไม่พยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งไม่พยาบาทปองร้ายหนึ่งเห็นถูกตามทํานองครองทำหนึ่งนี่คือกุศลทางใจอย่างกุศลทางใจถึงพร้อมกุศลทางวาจาอ่า กุศลทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพย์เจอร์อ น, นี่เป็นกุศลที่ทําให้เกิดขึ้นทางวาจาพูดแต่วาจาที่ซื่อที่ตรงวาจาที่อ่ อ, อนละมุนละไมอ่อนโยนละมุนละไมไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพย์เจอพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกัน เป็นกุศลที่เกิดขึ้นทางวาจากุศลที่เกิดขึ้นทางกายก็คื อ, อไม่พยาบาทอ้าไม่ไม่ไมลบยันใดของเขาไม่พยาบาทปองรัเออไม่อะไรนะไม่รักไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งไม่ลักทรัพย์หนึ่ ง, ไ ม, งไม่ประพฤติผิดทางกามหนึ่งยังกุศลให้ถึงพร้อม มีโอกาสที่จะลักแต่ก็ไม่ลัก <c oughs> <c oughs> มีโอกาสที่จะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์มีโอกาสที่จะประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกามกับผัวเขากับเมียเขาแต่ก็ไม่กระทามีโอกาสอยู่แต่ไม่กระทำคือยังกุศลให้เกิดขึ้นทางกายทีนี้ทั้งเว้นบาป ทั้งยังบุญให้เกิดอันนี้เป็นความประพุติปฏิบัติพื้นๆทั่วๆไปของของคนมุ่งความดี ค, ค, คือความสุขความเจริญแบบชาวโลกแบบพื้นๆที่ที่นี้ถ้าอยากจะพ้นไปจากโลกท่านให้ทําใจให้บริสุทธิ์ทําใจให้ผ่องแผ้วสจิตตะปริโยดะปังนี่เป็นหัวใจของศาสนาเว้นบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทําใจให้บริสุทธิ์ทําใจให้ผ่องแผ้ว อันนี้คือหัวใจของพระศาสนาจำไว้ซึ่งพระองค์ทรงประกาศในวันนี้วันนี้วันเป็เดือนสามเนี่ยนะวันเพียเดือนสามเนะี่ยวันนั้นเป็นวันสำคัญพระสง์หนึ่งพันสองร้อสิบรูปไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นับหมายที่เวฬุวันมหาวิหารเนะราจะขึ้น ก็สองหนึ่งพันสองสรูปล้วนเป็นเอหิพิกขุอุปสัมพุทธาล้วนแต่เป็นพิสุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบวชให้เองพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌายะแก่พิสุทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดที่ท่งเรียกว่าเอหิพิกขุอุปสัมพุทธาวันนั้นพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาธิโมก เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ประกอบพระองค์สี่คือวันนั้นวันเป็นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสามหนึ่งเป็นวันที่พ ร, ร, ระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์หนึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศหัวใจของพระศาสนาหนึ่งเกิดความอัศจรรย์สองอย่างสามอย่างสี่อย่างเนี่ยวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญเดือนสาม พอดีที่เราทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงวันกัตัญยูระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นในครั้งกระนั้นแสดงโอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกก็เหมือนอย่างที่เราสวนเมื่อกี้นั่นแหละนะรวมลงในนั่นแหละในมุ่ยใจศาสนานี่ยแหละโอวาทปฏิโมก ชาวปพาสักรณนังกุสลสุระสัมผัสสิจิตะประโยชน์อนเปนังยตังบุตถานาสัสนังอนุปวานอนุปขาโตอนุปวาโดอนุปขาโตไม่เข้าไปกล่าวร้ายไม่เข้าไปว่าร้ายอาฆาตมาดร้ายปาติโมเขจะสร้างวโรสํมรวมในพระปาติโม วาโนปกาโตปาิมขจังวโรมัตตัญยุตตาจะพัตตสมิมิงสังรวมในพัตตาหานันตัญยุตตาจะพัตตสมิงปัตัญจะศยนาสนางังยินดีในเสนาสนะอันช่างัดยินดีในเสนาชนะอันชงัดปันตัญจะสนยะสนสยนสนงังอะไรอี งบุท ธ, ธานาาสนังบออันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมไปถึงนุ่นขันตีประมังตโพติติฆานิบานังประมังวดันติบุต ธ, ธาความอดทนความอดกลั้นถือว่าเป็นตบะอย่างยิ่งนี่คอแรกๆนะ่ขันตีประมังตโพติติฆา ขันติคือความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งคือความอดทนอย่างยิ่งเป็นตบะความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราศความเป็นความอดทนขันติธีรศลังการโรขันติคือความอดทนเป็นอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราศ คันติคือความอดทนคือความอดกลั้นเป็นเหตุขจัดเสียสิ้ซึ่งความทุกข์ความเป็นเวรความเป็นภัยทั้งหลายทั้งปวงตัดซึ่งรากเหง้าของอคติทั้งปวงความอดความทนมีคุณสมบัติมากไปดูในนั่นนะที่อาารพูดถึงความอดทนหมวดความอดทนเราไปดูที่อาารพูดเอาไว้พูดถึงความอดทน เป็นรากเป็นเงาเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานของการตั้งหน้าตั้งตาประพฤติคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงกันติกันติน ต, ตโปตปัดสีโน่คันติเป็นตะบะอย่างยิ่งกันติทีรัศลังกาโรกันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นุปวาโดอุปคาโตปาติโมเหเจสังวโรสมรวมในพระปาติโม มัตตัญูตากับัตตสิงมัตตัญูตาสำรวมในพัตตาหารมัตตัญูตารู้จักประมาณในพัตตาหารปันตัญจะเสนาสนัง่งกินดีในเสนาสนะในเสนาสนะที่สงัดอตังพุท ธ, ธานาสาสนัง่งอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโอวาทปาฏิโมกที่ท่านกล่าวเอาไว้ไปดู ไปดูคำแปลไปดูคำแปลแล้ววันนี้เราก็ทาการเวียนเทียนบูชาเราปฏิบัติบูชาเราก็ได้นั่งภาวนาไปแล้วเย็นเจี๊ยบสงบเย็นเจี๊ยบในหัวใจเรานั่งภาวนาเห็นไหมเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเขานั่งภาวนา การนั่งภาวนาเป็นการนั่งทําใจให้ได้รับความสงบอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบของใจใจเราไม่สงบเพราะกิเลสมันควรควรไม่ให้สงบมันควรไม่ให้สงบท่านี้เราต้องการให้สงบเราต้องการเฉยๆจะสงบไม่ได้เรามาตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่มีงานให้เขาทาเขาจะสงบไม่ได้เหมือนอย่างที่เรานั่งเมื่อกี้นี่เราต้องการนั่งภาวนาให้ใจสงบ เรานั่งอยู่เฉยเฉยไม่นึกไม่คิดเลยตั้งใจจะไม่นึกตั้งใจจะไม่คิดนี่ตั้งใจไม่ได้เราจะต้องนึกต้องคิดแต่เรานึกเราคิดเรื่องเดียวเช่นอย่างเรานึกเราคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือปกติของจิตเองมันจะเปลี่ยนขณะคิดทุกขณะมันจะเปลี่ยนทุกขณะมันเป็นความคิดทุกขณะทุกขณะทีนี้เราต้องการให้มันอยู่เฉยเฉยเนี่ย การที่จะจิตมันจะนิ่งมันจะอยู่เฉยได้มันเป็นองค์ของเป็นองค์ของฌานมันเป็นองค์ของความสงบความสงบที่เรายังไม่ได้พื้นยังไม่ได้บาดยังไม่ได้ฐานเราไปตั้งใจให้มันสงบดิ่งเหมือนคนที่เขามีพื้นมีบาดมีฐานอย่างนั้นมันจะสงบไม่ได้จะมันจะดิ่งมันจะมันจะนิ่งไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาอยู่กับคําบริกรรม อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือให้นึกเรื่องเดียวให้คิดเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธหรือไม่ก็ธรรมโมธรรมโมธรรมโมหรือไม่ก็สังโคสังโคสังโคเราจะว่าพุทโธก็ตามเราจะว่าธรรมโมก็ตามเราจะว่าสังโคก็ตามมันก็อันเดียวกันนั่นแหละทําไมเราจึงว่าอันเดียวกันเราดูไปที่ใจของเราในขณะที่เราว่าพุทโธในขณะที่เราว่าธรรมโมในขณะที่เราว่าสังโคถ้าจิตเราพร้อมด้วยสติ ด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตตะปะคือการพระคับประคองความรู้สึกอันนี้เนี่ยมันก็ทําความสงบให้กับจิตเหมือนอันเดียวเป็นอันเดียวกันเลยเราดูไปมันเป็นอันเดียวกันเลยเป็นเหตุได้ได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวกันพุทโธก็เดียวกันนั่นแหละธรรมโมก็อันเดียวกันนั่นแหละสังโฆก็อันเดียวกันนั่นแหละจิตดวงนั่นแหละสงบนี่คือการทําใจสงบการที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ย เป็นการแทนที่ความนึกความคิดของกิเลสกิเลสไมนชอบแทรกเข้ามาในขณะจิตของเรากิเลสแทรกมาให้เราคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเปียกเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทเรื่องผิดหวังเรื่องสมหวังเรื่องดีใจเรื่องเสียใจเรื่องน้อยใจสารพัดที่มันจะพายุใหญ่จิตให้นึกให้คิดไปนึกคิดเรื่องดีมันก็เพลินใจดีใจนึกคิดเรื่องไม่ดีมันก็น้อยเนื้อต่ำใจมันก็เสียใจ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยใหญ่จิตแล้วเพราะฉะนั้นเราปิดกัน้นไม่ให้มันมายุ่ยใหญ่เราใช้อารมณ์ที่เป็นธรรมแนทนพุโทธโทธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ต้เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นธรรมทำไมเราจึงเรียกว่าอารมณ์ที่เราเรียกว่าอารมณ์เพราะว่าเพราะว่าเป็นเครื่องเกาะของใจใจใจคือผู้รู้มีลักษณะรู้ ตอนี้เราดําริกขาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุธคือเราใช้สังขารจิตตัวนี้แหละนึกหรือคิดคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราตั้งใจทําแบบนี้ท่าเรียกว่าเป็นพุทโธโดยแบบอย่างท่านเรียกว่าแบบอย่างถึงถ้าเราทําไปแล้วจนจิตของเราได้รับความสงบ พุโทโธพุโทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนจิตได้เราจิตเราได้รับความสงบแล้วมันจะมีภาวะเป็นแบบนั้นเป็นภาวะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นตื่นด้วยสติด้วยสัมผัสัญญะเบิกบานด้วยความสงบด้วยความสุขด้วยความเอิบอิ่มที่จะเรียกว่าพุโทโธเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพุโทโธตัวนี้เป็นพุโทโธโดยผล ที่เขาเรียกว่าโดยเนื้อหาของคำว่าพุทโธมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากแบบอย่างที่เราให้ทำนั่นแหละเป็นอย่างแบบอย่างเรามาตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธุ ธ, ธ, ธ, ธ, ธ, ธ, ธ, ธบริกรรมไปนาน <c oughs> นา น, น, านจิตมันก็จะเริ่มอิ่มจิตเริ่มสงบจิตจะเริ่มอิ่มที่เขาเรียกว่าปีติจะเริ่มเกิดขึ้นมีขึ้นเราไปเทียบดูในองค์ฌานกันได้ใครดูหลักเป็นไปดูวิตกวิจารณ์ปีติ สุขเอกคตาเนี่ยใครสามารถสำรวจจิตตัวเองสามารถรักษามีสติกำกับให้จิตของเราอยู่ในวิตกอยู่ในวิจารวิตตกก็คือคำนึกนั่นแหละนึกพุทโธพุทโธพุทโธนิสเรียววิตตกแปลว่า ค, ความตึกความตรึกวิจารก็คือกิริยาอาการประคองจิตเช่นอย่างประคองจิตว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะมีกิริยาการประคองอยู่ระดูไปดูไปให้ละเอียดเราจะเห็นว่า มันจะมีกิริยาประคองอยู่กุฏโธกุฏโธกุฏโธการประคองนั้นทนา่านเรียกว่าเป็นวิจารประคองหมายความว่าพยายามประคองให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกอยู่กับอารมณ์เดียวนะต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วงไม่ให้มันติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดถ้าเป็นติดติดขาดขาดแล้วมันไม่ต่อเนื่องอันนี้สิ่งที่เราอุปมาได้ง่า ย, ายๆก็เหมือนอย่างเส้นถนนเนี่ย ที่เราวิ่งรถบนถนนเนี่ยถนนเส้นทึบยาวเส้นเดียวพื้นเนี่ยนะถ้าให้ทำจิตให้ต่อเนื่องพื้นพื้แบบนั้นแหละอแต่ถ้าหากเราทำเป็นพื้ไม่ได้เนี่ยกิเลสมันจะแทรกเข้ามามันจะแทรกเข้ามาไอ้ตรงที่มันติดขาดติดขาดติดขาดเหมือนถนนเส้นถนนปราเนี่ยถนนเส้นปลเห็นไหมเส้นถนนที่เขาทำเป็นเหมือนไข่ปลาติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดมันขาดช่วง นีเราทําความรู้สึกที่จิตของเราเพื่อจิตได้รับความสงบทําให้ทําให้สติกํากับจิตต่อเนื่องกันพื้ยาวพื้ไม่ให้มันเกิดช่องเพราะถ้าทําให้เกิดช่องเหมือนเส้นประติดขาดติดขาดติดขาดเหมือนกับบางช่วงของของเส้นจราจรเขาน่ะติดขาดติดขาดติดขาดคือคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดขาดคิดขาดคิขาดนั่นแนหะไอตตะาา้ตรงขาดตรงนั้นแหละเกลื่อนจะแทรกเข้ามาตรงขาดตรงนั้น ถ้าจิตสติเรากำกับจิตไม่ดีนะทาให้สติขาดทาให้สัมมชัญยะขาดกิเลสจะแทรกมาตรงที่มันขาดตรงนั้นะมันแทรกเข้ามาแล้วเราพาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมันมาสวมรอยปุ๊บแย่งเอาไปแล้วไปทำงานอย่างอื่นแลวไปพุทโธหนุนไปดูบ้าน <c oughs> ไปดูช่องไปดูงานไปดูการ <c oughs> ไปนึกถึงเพื่อนคนนั้นนึกถึงเพื่อนคนนี้นั่นแหะมันแทรกเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างงั้น กิเลสกเข้ามามันมาแย่งแย่งงานแย่งจิตไปทํางานเพราะจิตมันอยู่กับกิเลสใต้ใต้ใต้มาตลอดถ้าเราไม่ภาวนามันก็อยู่แต่กับกิเลสจิตโอกาสที่มันจะอยู่กับธรรมนั้นมีน้อยนอกจากคนที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมธรรมจริงๆจิตจึงจะอยู่กับธรรมจิตอยู่กับธรรมก็คือจิตที่อยู่กับมือพร้อมมีสติพร้อมมีสัมมิชนยะพร้อม มีความสงบพร้อมมีความอิ่มเอิบในตัวพร้อมจิตพร้อมพร้อมที่จะทํางา น, นจิตพร้อมแต่ถ้าจิตไม่พร้อมก็คือจิตขาดสติขาดสัมผัสัญญาเนี่นยแหละจิตของเราก็มีแต่อยู่กับธรรมถ้ามอยู่กับธรรมก็อยู่กับกิบกเลสอยู่กับอารมณ์ของกิเลสอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดตามหลักทั้งก็พูดทังว่ากามฉันทะคิดเรื่องกามพยาบาทคิดเรื่องพยาบาท ทีนะท้าไม่คิดมันก็ง่วงเหงาหงนอนทีนะมิถะง่วงเหงาหงนอนถ้ามันไม่ง่วงมันนึกมันที่คิดมันนั่งนึกนั่งคิดคิดจนฟุ้งซ่านรำคาญท่านเรียกว่าอุทจะกกุจจักจากนั้นแล้วถ้าไม่สงบหรือถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็เกิดคิดลังเลคิดสงสัยว่าเราทำดีไหมเราทำถูกไหม เกิดความสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมไดยเหตุที่จิตไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็สงสัยสารพัดทุกอย่างอันนี้เราแก้ด้วยการมาพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือพระองค์หมดจดจากเกลเลดโดยสิ้นเชิงคนได้ด้วยอํานาจของพระธรรม พระธรรมของพระองค์เป็นพระธรรมที่แสวงหาได้เองอพิจารณาด้านด้านไปก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทนะเข้าหลักอริยสัจสีอ่อริยสัจสก็มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่ในอริยสัจสีนะ่พิจารณาไปพิจารณาเข้าหลักอริยสัจสี่ ซึ่งอริยสัจสีเอ่ยปฏิจจสมุปบาทเอ่ยไม่เคยมีใครสอนพระองค์สอนในเรื่องรูปฌานกับอารมูปฌานที่อุทกดาบทสอนอ่อ า, าราธดาบทสอนอุทกดาบทสอนพระองค์สอนฌานสอนสมาบัติสอนอารมู ป, ปสมาบัตินอกนั้นไม่เคยมีใครสอนทุกสมุทัยนี่โรหมรรคเนี่ยความทุกข์นี่รู้อยู่แต่ไม่รู้สาเหตุต้นตอว่ามันเป็นยังไงเป็นไงเป็นไง การที่พระองค์พิจารณาความทุกข์สาวไปเห็นสมุทัยด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองตรัสรู้เองตรัสรู้ตรงนี้เองตรัสรู้เองโดยชอบสมัมมาสัมพุทธะสมัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะอา น, นิชคุณของพธธระพุทธเจ้าวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะคือเป็นผู้ รู้ยังไงทําได้อย่างนั้นนี่ตอนนี้มาถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอะ่วิชาคือความรู้จรณะคือประพฤติได้ตามความรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆทาไม่ได้รู้ด้วยทําตามได้ทั้งหมดด้วยเป็นบุคคลคนเดียวคือพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโ ต, โตเป็นผู้ไปสู่สุขติพระองค์เสด็จไปที่ไหนที่นั่นเป็นสุข จเรียกว่าสุคโตสุคโตนี่เป็นนามหนึ่งของพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งสุคโตโลกวิดูเป็นผู้รู้แจ้งโลกการรู้แจ้งโลกของพระองค์ไม่ใช่ไปรู้ดวงดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระศุกร์ดาวพระเ ส, สาร์ไม่ใช่ก็มารู้แจ้งที่จิตนี่แหละรู้แจ้งในวงจรของจิตของกิเลส ของธรรมที่มันทํางานประสานประสานกันนี่แหละโลกนี่แหละธรรมกลางโลกอยู่ที่นี่แหละพบชาติต่างๆก็คือโลกพบชาติก็คืออยู่ที่จิตนั่นแหละพบชาต์พบชาติมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นได้ก็เพราะมีจิตนี่แหละนี่แหละคือธรรมกลางโลกโลกวิถีก็คือมารู้แจ้งพบชาติของตัวทํำลายพบชาต์ตายรู้แจ้งโลกนะนอกจาก รู้แจ้งโลกลักษณะนี้แล้วรู้นุนรู้รู้สารพัดทพระองค์รู้ได้หมดนะรู้ดวงเดือนรู้ดวงดาวดวงอาทิตย์พระศุกร์พระเสาร์อะไรพระองค์อรู้ได้จริงพระองค์สามารถรู้ได้จริงเพราะพระองค์ได้ชื่อว่าสัพพัญญูสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ของพระองค์รู้เหมือนใบไม้ในป่าในดงทั้งหมด แต่ที่พระองค์เอามาสอนพวกเราเท่ากับใบไม้ในกำ ม, มือโดยยกอุปมาเก็บใบประดูลายมาใส่ในองค์มือแล้วก็ถามพิสุทโธน์หลายควาความรู้ของพระองค์มีมากเท่ากับใบประดูในปา่าในดงที่ทั้งหมดมีความรู้ของพระองค์มีมากถึงขนาดนั้นแต่ที่เอามาสอนพวกเธอแค่นี้นี่แค่ประดูใบประดูในกำ ม, มือเนี่ยนิดเดียว สอนพอให้รู้ช่องทางปฏิบัติเล็ดรอดเอาตัวรอดออกไปได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ที่เจ้าไม่มีหลงทางแหละใครอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงเนี่ยไปได้หมดถูกต้องได้หมดมีหูทิพตาทิพมองเห็นได้หมดะไม่จาเป็นต้องใช้ gps อย่างทุกวันเนี่ยไปไหนไม่ต้องมีอะไรนําทางแหละรู้ที่เจ้ากำหนด ปุ๊บงแจ้งจ้าไปได้หมดรู้ถูกรู้ได้หมดปฏีต่างสา ย, ายานานาคต่างสา ย, ายานปัจจุปนังสา ย, ายานความสามารถของพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมพระสัพพัญญสุกโตโลกวิทูรูร้แจ้งโลกอนุตตะโรปุริดสดำมาซารถิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเป็นสารถีแห่งบุรุษเป็นสาร ถีแห่งบุรุษสามารถฝึกบุรุษเนี่ยท่านเรียกว่าสารถีนายสารถีเป็นผู้ฝึกมา้าแต่พระองค์เนี่ยเป็นสารถีแห่งบุรุษหมายความว่าเป็นผู้ฝึกบุรุษคนในโลกไม่มีใครฝึกมีความสามารถฝึกได้เท่า ก, กับพระองค์เห็นไหมพวกเจดินเนะ่ยเจดินเป็นพันๆนเนี่ยไปจับหัวหน้าสองสามหัวหน้าได้ เ, เสร็จหมดเลยเห็นไหมเพรึบเดียวได้ลูกศิษย์เป็นพัน เนี่ยสอนพยายามไปสอนเะดินรุเวลกปปากระสปะนั่นะเอาจนได้ไปทรมานด้วยวิธีการทั้งหลายทั้งปวงด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอภิญยาเอาไปใช้หมดนี่ฤทธิ์เดชอภิน ญ, ญาของพระองค์นะ่ยมีสําหรับไปใช้ทรมานกับพวกนี้แหละพวกอย่างนี้แหละมีความจําเป็นที่จะเอาไปทรมานกับพวกอย่างนี้เพราะพวกอย่างนี้มันอยู่หมัดกับวิวชาอภิญญาแบบนี้อย่างอื่นมันไม่ยอมอะ ของวันนี้อวุโกรัสปะเนี่ยกว่าเขาจะยอมรับโอ้ยเขาถือตัวธนงตัวมาเท่าไหร่พระติเจ้าแสดงฤทธิอ์อภิญญาให้ดูหลายหลอย่างหลายเป็นร้อยเ ป, เป็นพันทั้งว่าเป็นพันพันอย่างนะแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นนอัศจรรย์อยู่ในความสามารถของพระสมณโคโดงแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอระหรันเนี่ยทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะตรงนี้ พระองค์ก็ทำไปด้วยดูไปด้วยทําไปด้วยดูไปด้วยดูตานอกด้วยดูตาไหนด้วยดูว่ามันจะได้ที่หรื อ, อยังมันจะได้ที่หรื อ, อยังพอได้ที่พระองค์ก็ใส่ปับ๊บนะได้ที่พระองค์ก็ใส่ปับ๊บหัวเข่าอ่อนโยบข้าพระองค์สํานึกตัวแล้วพระเจ้าข้าขอหมอบกายถวายชีวิตขอบวชในศาสนธรรมของพระองค์เนี่ยหัวเข่าอ่อนแล้วเป็นอย่างนั้นด้วยอมแเลยท่านี่ยอมแล้ว เนี่ยเป็นสารถถีแห่งบุษสัทธาเทวมนุษย์สานังสบปริส อ, อะไรบริสะดัมมารถถีัทธาเทวมนุษยสานังเป็นสารถถีแห่งบุตรไม่มีใครมีความสามารถเท่ากับพระองค์สามารถฝึกได้ทั้งบุษทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาสัทธาดัทธาเทวมนุษย์สานัง ส, สัทธานี่แปลว่าพระศาสดา เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะเทวดาเต็มป่าเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นแสนแสนเป็นกฏกฏเทวดาได้ตั้งตนอยู่ในธรรมในบรรลุธรรมมากกว่ามนุษย์อยีกนะเนี่ยเป็นศาสด า, าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นพระพุทธคุณเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดความเดิมใสศรัทธา ว่โอที่เราเดินมานี่ถูกแล้วทําให้เราเกิดความเรื่องใสเกิดความศรัทธานในพระพุทธเจ้า แ, แล้วก็มีกจจิตะใจใยที่จะตั้งหน้าตั้งตาเชื่อคําสอนของพระองค์สอนให้ใจสงบตงัพยายามตั้งใจทําให้ใจได้รับความสงบที่เราพูดถึงความสงบภายในใจไม่เกลี่อนไม่แย่งมาก่อกวนเราก็อยู่ได้สงบได้ไปอุบายด้ว ย, ว, ย, ว, ย, ว, ยวิธีอย่างนี้ เมื่อกี้เราก็ได้ทําความสงบไปแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาพราะบูชามีสองอย่างบูชาด้วยอามิตรบูชาบูชาด้วยปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชา น, นั้นเป็นการมาชําระมาขัดเกลอกิริยากายกิริยาวายาและกิริยาใจขัดเกลากิริยากายวายาใจที่บิดที่เบีย้ยวให้ซื่อให้ตรงเป็นกิเลสมาแก้ให้เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมแก้จากกิเลสให้เป็นธรรมพิชณาพิชณาแก้ไขดัดแปลงจิตสันดาลจนจิตหายพยศจนกิเลส ต, ตัวทิฏฐรมามันดื้อดุนไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกนี่เป็นปฏิบัติบูบบบบชาปฏิบัติขัดเกล่ากายวาจาด้วยการปฏิบัติ อี ก, อกบูชาอันหนึ่งก็คืออามิตรสบูชาอามิตรคือสิ่งของเช่นอย่างดอกไม้ทูบเทียนถือว่าอามิตรบูชาอันนี้พระองค์ทรงตรสเมื่อสมัยพระองค์จะปรินิพานเทวดาทั้งหลายนี่เอาดอกไม้ดอกมณฑารพบดอกอะไรแ ะ, ะไรมาโปรยเต็มไปหมดนะดอกสาละดอกอะไรก็บานสพรั่งร่วงบูชาพระองค์ตอนนั้นนะเต็มไปหมดด้วยฤทธิเดชของเทวดา แม้เทวดาบูชาพระองค์เห็นป่านี้ไม่ชื่อว่าบูชาเลยภ <c oughs> ิสูจทั้งหลายใครตั้งใจบำเพ็ญตามศาสนธรรมของเรารักษาศีลให้มีอทิศศีลรักษาจิตให้ได้รับความสงบให้เป็นอธิจิตพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เป็นอธิปัญญาให้เกิดญาณ น, นัทัศนาเกิดความอย่างรู้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจาง เกิดความเบื่อหน่ายคลายจะก็เบื่อก็หน่ายเมื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็หลุดเมื่อหลุดก็พ้นเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าเจ้าของเนี่ยหลุดพ้นไปแล้วนี่นี่คือปฏิบัติบูชาชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งต่อไปนี้เราจะอาบิดบูชาคือจะจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ลงไปเดินเวียนเทียนเวียนขวาวิธีเวียนเทียนนั้นอ่า เวียนเดินรอบแรกแล้วก็สวดมทพุทธคุณก็ได้อิติปิโสภควารังสมมาสัมพุทธโธวิญญาจรนสัมปันโนสุคตโลโกวิโดอนุตตรบริสุทธดัมมัสารถิสัทธาเดวมนุสซานุทโภควาตินี่บทพุทธคุณจบแล้วก็ขึ้นอีกอิติปิโสภควารังสมมาสัมพุทธโธหรือถ้าขี้เกียจว่ามากๆอ่ เอาบทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันจิตไม่ให้กิเลสมันแย่งจิตออกไปได้ในระหว่างที่เราเดินในระหว่างที่เราเดินเวียนเทียนแน่เราตั้งใจจะถวายอามิตดบูชาแต่เราก็ได้ปฏิบัติบูชาอีกเราก็ได้ผลเพิ่มอีกเห็นไหมมันรวมลงไปที่ใจแม้จะเป็นอามิดบูชาก็ตามในเมื่อเราทําถูกต้องมันกลายเป็นเรื่องละเอียดเข้าไปที่ใจ ทำให้ได้รับผลที่ใจเดินรอบแรกก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดินรอบสองก็ว่าธรรมโมธรมโมธรมโมธรรมโมธรมโมเดินอรอบสามก็ว่าสังโฆสังโฆสังโฆรืลึกถึงบทพุทธคุณบทธรรมคุณบทสังคคุณก็ได้ทรรคุณเก้าบทพุทธคุณเก้าธรรมคุณหกสังคคุณเก้าเก้าหเก้านี่บุญ คุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เขาถามว่าคุณของพุทธเจ้ามีเท่าไหร่คุณของพระธรรมมีเท่าไหร่คุณของพระสงฆ์มีเท่าไหร่ในหลักท่านมีอยู่เป็นรูปบทอิทิวิโสนะบทสวักขาโตบทพระธรรมบ ท, บท um ส, สุ ป, ปฏิปันโนบทพระสงฆ์สังฆะคุณเก้าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีโมจุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงเนี่ยประสงค์ยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดี ชอบยิง่งสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิง่งอาหุนยโยปาหุนยโยดักขิณโยเป็นผู้ควรพูดถึงพร้อมด้วยเป็นผู้พูดถึงพร้อมด้วยอาหุนยอาหนัยอาหุนยนโยปาหุนยโยดักขิณัยโยทักขินาเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรคำนับเป็นผู้ควรทำบุญด้วยเครื่องทักซีนา คือทักซีนาคือเครื่องสักการะทั้งหลายของใช้ของสอยเขาเาปลาอาหารเป็นเครื่องทักซีนาทั้งนั้นอัญเชลีการเนโยเป็นเป็นคนควรทําอัญเชลีควรนบควรกราบควรไหว้อัญเชลีแปลว่ากระพุ่มมือนนี่ท่านพูดถึงพระสงค์นะอัญเชลีการเนโยอนุตรังปุญญาเกียรตังโลกัสสัอนุตรั ง, งอนุตรัง บุญญเขตตังโลกัสสะอนุตตรังบุญญเขตตังโลกัสสะอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกัสสะบุญญาเขตพระสงค์นี้เป็นบุญญาเขตเขตตะเขตตะเขตตังแปลว่านาเป็นเนื้อนาบุญเราแปลเป็นภาษาไทยเป็นเนื้อนาบุญพระสงค์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญ ยัเกตังโลกัสเป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่ประสงค์มีอเก้าบทสังคุณเก้าบทพุทธคุณเก้าอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นแหละบทวัฒธรรมนี่หกสวาคาโตภควตาธมโมสวาคาโตเป็นผู้ตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวาคาโตภควาเป็น ทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสวัสคาโตภควตาธรรมโมสันทิจิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองโอปนาญิโกขวรน้อมเข้ามาในตนคือน้อมา ม, า ม, า ม, ามาพิจารณาตนให้เห็นอาดเห็นธรรมในตนโอปนายิโกปัจจจตังเห็นด้วยตนเองเวดิตาโบวินยูหิอันวินญูพึงรู้จามพะตนบทธรรมคุณ6 969 เก้าหกเก้ากรากำหนดที่ น, นี้แล้วเราไปดูจําไม่ยากหรอกดูคําแปลประกอบเรารู้คุณผู้ดีเจ้ามีเท่านั้นคุณพระธรรมพระเจ้ามีเท่านั้นคุณพระสงฆ์พระเจ้ามีเท่านั้นอันนี้เราไปดูไปขยายเราไปจามันเป็นการประเทิงความรู้ทําให้เราเกิดความเรื่อนใสในคุณของผู้ดีเจ้าผู้ธรรมสงฆ์ไม่งั้นก็ซื่อซื่อสมือซื่ อ, อ, อ, อ, อในหัวใจเออผู้ดีเจ้ามีคุณยังไงไม่รู้เรื่องมีพระธรรมมีคุณยังไงไม่รู้เรื่อง ก็อสองมีคุณยังไงไม่รู้เรื่องท่านมีแนวอธิบายอย่างนี้นะเอาละดึกแล้วเงาน อ, นอนแหละทุม่มหน้าทุ่มหลังอยู่นี่ก็มีเนี่ยอจะอยู่หมดคืนได้ยังไงเนี่ยนอนจากยาวหมดคืนเท่านั้นเลเนี่ยอหมดคืนได้ยังไงก็ม่าอยู่หมดคื น, ค, นคือไม่ไปไหน อยู่นี่ตลอดไม่ได้ไปหมัดไรหนี่คืออยู่หมดคืนก็มาอยู่หมดคืนขึ้นนั่งภาวนาหมดคืนไม่นอนในสัตชิกวันหนึ่งใครมีกำลังทำเอานะอู่นี้เอาบุญบุญถ้าเราไม่เอาไม่ได้ดอกเราไม่ตั้งใจเอาไม่ได้บุญถ้าตั้งใจจะเอาจะทำก็รีบเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าไม่รีบเอาบุญเดี๋ยบาปมันแทรก เขาเสียเข้ามาที่ใจก็เสร็จมันละดึงไปแล้วไปถลุงแล้วบุญต้องทําถึงจะได้ไม่ทําไม่ได้ดอกและบาปก็เหมือนกันแหละต้องทําถึงจะได้ไม่ทําไม่ได้อยู่เฉยเยอยู่ซื่อๆอุเบกขาวางเฉยบุญก็ไม่ทําบาปก็ไม่ทําซื่อๆเท่าเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นไม่ตกนรกอยู่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่เท่าเดิมอะ ไม่มีความทุกยุ่แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ทำเหตุอะไรเพิ่มก็อยู่แค่นั้นแหละมีใครที่จะอยู่แค่นั้นได้ไม่ทำชั่วแล้วก็ละชั่วแล้วก็ต้องบาเพ็ญดีนี่ถูกตามหลักโอวาทปฏิโมกแล้วก็ทำความรู้ภาณกิจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนจิตได้รับความสงบจิตได้รับความ รู้เผล่ผ า, าด้วยด้วยปัญญาด้วยปัญญาญาณเผ็ดเผากิเลสให้หมดไปจากขันธสันดานเอาต่อไปกราพร้อมกันเสร็จแล้วเราเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ใครจะเอาไปปักที่ไหนก็นแล้วแต่เราก็ถือว่าเราลงเช้านี้ไปแล้วเราก็เลิกนะเรก็เลิกแต่พระเราจะเลิกกลับไปเลยไม่ได้ ต, ไต้องขึ้นมาเก็บต้องขึ้นมาเก็บแล้วเราก็ลงเากวนี้เราก็จุดเทียน ก็ไปเดินตั้งต้นตรงนี้แล้วก็วียนขวาไปมามาจบที่หนึ่งอ่ะกุโทกุโธกุโธรอบสองกธรมโมธรมโมธรมโมธรมโมธรมโมรอบสามก็สังโฆสังโฆสังโฆสังโฆสังโฆเดียวกันฮะแล้อ้าวเราลงนี้เราก็ไปเลยนะนะคอน้สายก่อนนะเอ้าคอน้สายก่อนก็ได้เอ้าละใหม่ได้ไหมล่ะเอ้ย พระใหม่รับปากรู้ได้ไหมจะยินไหมพระใหม่อ่ะได้ไหมพอได้ไมันรู้ได้หรือไม่ได้ <c oughs> ปากแม้ทั้งสามองอ่ะได้ครับได้ครับได้ครับเออ กนี้ต้องมาฟืดแบบทหารตัวทาหนึ่งนะ พันเถหูิอายะสมะโตนิสยวชามิอาจารโยมพันเถหูิอายะสมะโตนิสยวชามิอาจาโยมพันเหูิอายะสมะโตนิสัยวชามิปุาิกังสาธุพันเ สาธุพันธ์เกณฑ์สาธุพันเกณฑ์อาจตเกตานิเทโรไมหั่นาโรอาหัิเทระสภาโรอาจตเกตานิเทโรไมหัาโรอาหัิเทระสภาโรอาจตเกานิเทโร อาหังพาโรอาังปิเทระสะพาร